ทุกท่านมาจากที่ต่างๆมาด้วยความมุ่งหวังต่อธรรมมาทรรมถ้าจะเทียบก็เหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับชะล้างสิ่งที่สกรปรกทั้งหลายให้สะอาดไปได้ผู้ที่จะผู้ที่สกรปรก ก็คือเราที่จะนำน้ำ ม, มาชำระก็คือเรา้าสามารถนำาด้น้ำมาได้มากน้อยเย่ยงไรก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่และรายละรายไปน้ำในสถานที่นี้ได้เะทดธทําธมีทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผล ผู้สกรปรกก็คือเราก็หมายถึงใจเป็นตัวประธานเป็นตัวรับความสกรปรกและความสะอาดทั้งหลายอยู่ที่ใจใจเป็นพื้นฐานเป็นตัวประธานอันสำคัญที่จะให้สิ่งเหล่านี้แทรกได้ที่สิ่งที่สกรปรกมากน้อย แทรกได้สิ่งที่ดีแทรกได้เพราะอยู่ในวงสมมูิด้วยกันดีสำหรับแก้ชั่วน้ำสะอาดก็คือฝ่ายเหตุอันเป็นสมมุติเหมือนกันแก่สิ่งส ก, กรปรกซึ่งเป็นสมมุติด้วยการออกได้เป็นลำดับลำดาตามขั้นภูมิของสิ่งนั้นๆทั้งสองฝ่าย ส่วนเป็นผลในหลักธรรมชาติอันแท้จริงนั้นเป็นอีกอย่างนอกจากธรรมฝ่ายเหตุอันเป็นส่วนสมุดและสิ่งสกปลุกมากน้อยโดยลำดับซึ่งเป็นส่วนสมุดด้วยกันนี้อยู่ในขอบเขตแห่งสมุดมีความสลายตัวไปได้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่ธรรมชาติที่นอกสมมุตินั้นไม่สามารถจะตั้งชื่อได้แต่ทราบได้ชัดเจนภายในใจิตใจเราทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเรานักปฏิบัติของเราเกิด ม, มาในท่ามกลางแห่งความสกะตก คือสิ่งที่พาให้เกิดนั่นแหละนั่นเรียกว่าสกปรกไม่ใช่ธรรมชาติแท้สัตว์แต่ละตัวลตัวมีอย่างเดียวกันกับมนุษย์เราใจก็คือความรู้เหมือนกันแต่มนุษย์เรารู้ภาษีภาษามีความฉลาดยิ่งกว่าสัตว์จึงสามารถประพฤติปฏิบัติตัวได้ พูดดีก่อสากพูดชั่วก่อสาบความบากบุญคุณโทษก่อนสาบสอนวิธีแค่วิธีถอดถอนชะล้างก่อนสากด้วยเหตุนี้ทำเป็นคำสั่งสอนอันเป็นอุบายที่ถูกต้องซึ่งได้รับผลมาแล้วจากพระพุทธเทจา้าพระองคนำมาสอนเราจึงสามารถรับไว้ได้ ศาสนาจริงสถิตอยู่ที่แดนมนุษย์ไม่ว่าพระพุทธเจา้าพระองค์ใดมาจัสรุต้องจัดสรุ้ในแดนมนุษย์นี้ทั้งนั้นเพราะมนุษย์เป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมทั้งหลายการปฏิบัติที่ยะกำจัดสิ่งที่ศกรปรตกซึ่งได้กล่าวนำผ่านมาแล้วนั้น ต้องในใช้อุบายวิธีมีความจงใจอย่างแท้จริงทศแต่ว่าทาไม่เกิดประโยชน์ขอให้พากันทราบไว้ด้วยเหตุนี้การแนะนำสั่งสอนหรือดูด่าว่ากล่าวมู่เพื่อนจึงต้องมีอยู่เสมอเพรา ะ, สะแสลงตาในกิจยาที่ทามันไม่ใช่เป็นทางที่จะชำะสะสระศาสนา แม้การแสดงออกนั้นเป็นกิริยาเหมือนการชำระภาษาต่างแต่มีอีกอันหนึ่งที่แทรกอยู่นั้นมันไม่ใช่การชำระความเผลอความไม่รอบคอบความไม่ตั้งจิตตั้งใจนั่นแหละเรียกว่าเผลอเะแล้วนี้เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทําไปเฉยๆการทําความเพียรตามหลัก ทมที่ท่านสอนไว้มีสติเป็นสำคัญมากทีเดียวสติเป็นตัวยืนรงเลยสติสัมปัตัิยาสติมันตั้งได้มากน้อยย่อมมีความรู้สึกตัวและเป็นผลแก่ผู้ทาไปตามกำลังแห่งการตั้งสติได้ เิเวศประเภทต่างๆย่อมหนานแน่นมาดั้งเดิมการที่จะประกอบความภาคเพียนให้ได้ดังใจหมายในเบื้องต้นเช็นให้จิตสงบแล้วสงบตามความต้องการทีเดียวเลยนั้นแม้จะมีได้ก็เป็นจานวนน้อยมากนอกจากชิปปาพิญญา คือิธีสามารถจะรู้ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นนอกนั้นต้องใช้ความพยายามเต็มที่กาลังความสามารถเพราะกิเลสหนาแน่นภายในใจเราจะทำอย่างออมแรงอย่างนั้นหรือทำในลักษณะที่เหียดที่คร้านฝืนทำไปอย่างนั้นฝืนก็มีชั่วขณะนอกกนั้นก็ปล่อยไปตามยถากรรมเสียเช่นนี้ จะไม่มีกิเลสตัวใดหลุดลอยออกไปเลยคำว่ากิเลสนั้นเป็นชื่ออันหนึ่งเท่านั้นแต่หลักธรรมชาติของมันจริงๆแล้วอยู่กับจิตเนี่ยที่ว่ากิเลสกิเลสเรายกขึ้นมาเป็นปุกรลาทิฐานเช่นอย่างการต่อสู้กับมันดังนั้นอย่างนี้คือความขี้เกียจมันก็เป็นภัยอันหนึ่งหรือเป็นค่าสิบอันหนึ่ง ความขายันก็เป็นเรื่องต่อสู้อันหนึ่งความอดความทนของเราก็เป็นเรื่องต่อสู้แต่ยกเป็นเรื่องของบุคคลก็เรียกว่านักขึ่นต่อกรกันหรือต่อสู้กันอย่างนี้เป็นนามธรรมาด้วยกันทั้งสองอย่างถ้าจะพูดแต่นามธรรมาอย่างเดียวผู้ฟังก็ไม่สามารถจะจับได้ทุกข้อทุ ก, ขทกขนแขนงไปจึงต้องใช้เป็นปุกาทิ่ฐานมัง่งธรรมาทิฐานมัง่ง หยกสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นบุคคลเข้ามาเปรียบเทียบบ้างพูดเรื่องเป็นเป็นเรื่องธรรมะล้วนบ้างซึ่ง้วนแล้วแต่อุบายวิธีที่ท่านเคยปฏิบัติดำเนินมาแล้วและได้ผลมาแล้วด้วยนำมาชี้แจอองตามเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วนั้นให้ผู้ฟังทั้งหลายได้เป็นที่เข้าใจและรู้วิธีปฏิบัติ พร้อมกับการปฏิบัติตามที่เข้าใจนั้นคำที่ว่า น, นักก็คือจิตเป็นผู้แบกภาระแทนสิ่งที่หนักนั้นไม่มีอันไดที่จะหนักมากยิ่งกว่ากิ่เล็ทุกประเภทภายในจิตใจมีผพูดตามหลักธรรมชาติที่ได้ทดสอบที่ได้พิพจารณากันระหว่างทำกับกิ่เล็ให้ละเอียดละออถึงใจแล้วเป็นดังนั้น แล้วสิ่งที่รบกวนกวนใจอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่อื่นใดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งเพลแต่เราไม่ทราบว่ากิเลสเป็นเช่นไหนกิเลสกับเราจรึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสุดท้ายก็ไปยอมรับกันอย่างไม่รู้สึกตัวเลย ว่านั่นกับเราเป็นอันเดียวกันหรือเราเป็นนั่นนั่นเป็นนี้เป็นเรื่องของเราไปใชหมดทั้งๆ ท, ที่เป็นเรื่องของวิเลศทั้งหมดเพราะสติปัญญาไม่ทำหรือยังไม่ได้ใช้สติปัญญาหรือสติปัญญายังไม่ลึกซึ้งพอที่จะทราบวิเลสประเภท น, น, นั้นได้และไม่สนใจไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าทิเลสกับทําเป็นอย่างไรบ้างทั้งๆ ท, ที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่และดวงระดวงนั่นแหละ สำคัญอยู่ที่นี้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและได้ศึกษาธรรมมาพอสมควรแล้วจงประมวลความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนั้นเข้ามาสู่จุดเดียวคือใจตั้งจุดสนามรบลงที่ตรงนี้ยาคิดคาดคณีถึงภายนอก ว่าจะมีกิเลสอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดหรือความศักดิ์สิทธิ์วิเศษความสุขความสบายจะอยู่ในที่อื่นที่ใดนอกจากอยู่ที่ใจนี้แห่งเดียวเท่านั้นนี่คือความจริงความหนักก็หนักอยู่ที่ใจการแสดงออกเพื่อเป็นผลแห่งความหนักใจขึ้นมาก็แสดงออกที่ใจการแก้การชำระก็ต้องแก้ที่ใจ ทำจัดกันที่ใจเพียนก็เพียนดูที่ใจของตนเองซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะแสดงสิ่งต่างๆออกมาส่วนมากมีแต่ส่วนเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมจะแสดงออกได้น้อยมากถ้าไม่ตั้งจิตตั้งใจที่งอดกวดขันจริงๆก็ไม่ทราบว่าเรื่องธรรมจะแสดงขึ้นมาได้ในระยะใดขนาดใหนีในขั้นเริ่มแรกจึงต้องยากลําบากเป็นธรรมดาเพราะเราเริ่มงาน งานนี้หนักมากและเคยหนักมานานเราเริ่มงานที่จะปฏิบัติตนเพื่อความลดหย่อนผ่อนเบาในความหนักทั้งหลายลงไปนั้นต้องอาศัยความหนักอีกประเภทหนึ่งหรือความทุกข์เพราะการประกอบอาหารนั้นเป็นพื้นฐานอีกเช่นเดียวกันเพราะทุกนี้เป็นผล มาจากความเพีย่ยนนั่เป็นเป็นความทุกข์ที่ผึกกันกับนิเรศถึกขึ้นมาเป็นไม่ไหนทุกข์นี้เป็นเรื่องของธรรมที่ผึกขึ้นมาเพื่อแก้ทิเลประเภทต่างๆซึ่งหนักอยู่มากภายในใจิตใจให้คอยลดน้อยลงไปเป็นความฟุ้งซ่านตัวกฎิของจิตจะอยู่เป็นสุขอยู่เป็นตามธรรมนาไม่ได้ต้องดีดต้องลิ้นคิดนั้นคิดนี้อดีตอนาคต ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันอื่มพอไม่มีวันเดือนไหนตืดจากก็คือเรื่องของจิตกล่อมหัวใจสัตว์โลกนั่นแหละนี่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นมาอย่างนี้ยัต้องอาศัยบทบริกรรมภาวนาซึ่งจะเป็นคู่ปรับกันกับความฟุ้งซ่านนี่ผู้ที่ยังไม่เคยภาวนาก็แะแอาศัย บทสมถะธรรมเขากล่องจิตใจกำหนดอนาปานสติหรือธรรมบทใดก็ให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นด้วยการบังคับบัญชาหนักเบาก็เป็นงานของเราจนใจเกิดความสงบขึ้นมาภายในตัวเองก็เป็นผลแห่งธรรมอันหนึ่งที่แสดงออกมาว่าเป็นความสุขหิดเมื่อสงบย่อมเป็นสุข ถ้ายังไม่สงบเราก็เคยเห็นแล้วมันเป็นจุกที่ไหนยาคาดอดีตอนาคตซึ่งจะเป็นอุปสรรคเครื่องตัดทอนความเพียรของตนลงไปอดีตอนาคตไม่มีความหมายผู้ที่สร้างความหมายดีชั่วแท้อยู่ที่ใจให้กำหนดตรงจรงนีเ้เบาก็เบาที่ใจนี่แหละ ด้วยความเพียรของเราที่หนักเบาลงมากน้อยจะเบาลงที่ใจเพราะความเพียรหนักเข้าไปโดยดันั้นหนักเพื่อความเบาเรามีเหตุผลเป็นเครื่องยืนยันกันอยู่แล้วว่าเป็นจิตที่ต้องทำไม่เพียงพูดว่าควรทําพระพุทธเธจ้าก็ทรงหนักพอแล้วนั่นพระองค์ไม่ รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดทรงบึกบูนไปตามพระฤาิีกำลังความสามารถของพระองค์เองสำหรับพวกเรามีแนวทางตำหนักตำลาไว้ยบร้อยแล้วมีหนังซ้ำยังมีครูมีอาจารย์แนะนำโดยถูกต้องดีนามอีกด้วยจึงไม่มีอะไรที่จะน่ารูปน้าอันารูปรูปคำคำ ทุ ก, ก็ต้องเป็นทุกเพื่อความถูกต้องจริงๆเช่นยังสอนให้ตั้งสติบังคับบัญชาจิตใจจิตใจมันผ่าผลมากน้อยเียาไหร่ตั้งสติบังคับบัญชาหักห้ามจิตใจของตนมาจะได้ความทุกข์มากน้อยไม่สนใจกับความทุกข์เพราะความเปลี่ยนนั้นแต่สนใจในจุดที่ว่าจิตผ่าผล น, นั่นให้ยอมตัวด้วยการฝุกทรมานของตนเท่านั้นอเมื่อเป็นเช่นนั้นจิต มันจะเหนือทําไปได้อย่างไรความผ่าพผลของจิตก็ผ่าพผลเพราะอํานาจของกิเลสพาให้เป็นไปการบังคับบัญชาจิตใจหรือการสุดทรมานจิตใจก็เพราะอํานาจแห่งธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องป ร, ราบความผ่าพผลของจิตอันเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสนั้นให้สงบตัวราบลงไปโดยลํำดับลำดับนีเป็นจริงที่ถูกต้องอยู่แล้วมีแนวทางอยู่แล้วท่านสอนไว้แล้ว เป็นแต่เพียงว่าเราจะทำตามนั้นหรือไม่เท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเรื่องรูปคำอะไรเลยเป็นทางที่ถูกถ้าทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่สงสันอกจากนั้นตัากสอนอุมาวิธีการพิจารณาในทางปัญญาเต่เพราะอย่างยิ่งอสุภะเป็นหลักใหญ่มากลักษณกจิตที่มีกิเลสประเภทธรรมดาสามัญ ต้องได้ใช้สิ่ง น, นี้มากพิจารณาข้างนอกก็พิจารณาเถอะเป็นมากด้วยกันเห็นพิจารณารูปข้างนอกเป็นรูปหญินรูปชายส่นมากก็ท่านพิจารณาก็คือรูปตรงันข้ามรูปที่เป็นวิสภาคนั่นเองมันเป็นเชื่อเสมไฟพิจารณาเพื่อจันดับ ต่อพิจรณาอสุภาอสุพังตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เครื่องเสกสรรตั้นยอหาความจริงไม่ได้แต่เป็นความจริงหาพิจนาในความเป็นอสุภาสุภะนั้นต่างหากเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งหมดเรายังยอมเชื่อมาได้จนขนาดนี้เชื่อของปลอมแล้วทุกข์เพราะ ของจำปลอมนั้นทุกมาได้มากมายขนาดไหน น, นับกลับใดกันใดมาจนปัจนนี้เรายังไม่เคยอิ่มพอยังไม่เคยเห็นโทษในความจำปลอ ม, อมที่ธรรมชาติที่เรียกว่ากิเลสนั้นเสกสาร์ต้านยหรือกล่อมใจเรามาเรายังไม่เห็นเบื่อเห็นโทษของมันเลยนั่นคือความจำปลอมโดยแท้การปิจานาอาุภะอาุพังอนิจจังทุกข์ขงอาตาความแตกความดับความสลาย ความไม่สวยไม่นามความเป็นปฏิกูลโสโครกเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเนื้อของเราด้วยเพราะเป็นความจริงอย่างนั้นนี่คือธรรมเพื่อแก้เคราะสิ่งจอมตอมทั้งหลายที่เสกสรรปั้นด อ, อกขึ้นมาแล้วก็ยึดถือสำคัญมั่นหมายจนแกะไม่ออกและไม่สนใจจะแกะไม่สนใจจะแกะ้ไม่สนใจจะถอดจะถอนเลยเพราะเชื่ออย่างจงดิ่งทีเดียว ทนี้จะถอนความจมดิ่งนั้นด้วยอุบายของธรรมซึ่งเป็นความจริงล้วนๆด้วยการพิจารณาในทางปัญญาพิจารณาตรงไหนให้จิตจ่อตรงนั้นสติอยู่ตรงนั้นปัญญาเดินแยกแยะดูสภาพต่างๆของร่างกายหมดทั้งร่างนี้มีอะไรที่ว่าสวยว่า ง, งามนั้นอะไรมันสวยมันงล่ ตื่นหลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลงในของไม่มีตื่นในของไม่มียึดในของไม่มีสําคัญมั่นหมายในของไม่มีมันเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นโมฆะที่ตื่นลมตื่นแล้งตื่นความสําคัญมั่นหมายตื่นกลมมยาเพลงของกิเลสทั้งหมดมานานเท่าไหร่อุบายแห่งธรรมซึ่งเป็นของจริงที่จะชั้นล้างสิง่งจำปอมทั้งหลายนั้น เป็นสิ่งที่เราจะต้องผิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทานไม่แล้วว่าปัญญาแยกแยะดูให้เห็นตามความจริงของมันในส่วนร่างกายของสนและของผู้อื่นใดก็ทมโลกธาตุนี้เป็นเหมือนกันหมดมจารณาให้ถึงความจริงเอาให้มากจิตใจจะได้สงบตัวลงไปก็คือว่าถูกกับยาเพราะเป็นความจริงแยกแยะดูให้ดี วันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ต้องกําหนดเว ล, ลาเวลาเอาให้เห็นความทำนิทํานายความแี่ยมแจ้งตามความจริงทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสกลอากายนี้และจะเกิดขึ้นด้วยอํนนานาจแห่งสติปัญญาของเราเองไม่เกิดขึ้นจากที่ใดแห่งใดแหละจะเกิดขึ้นจากที่นี่พิาจารณาให้จริงให้จัดเราได้ถูกขังถูกกลอมมานานแล้วจิต ด, ด, ดวงนี้ ันไม่สนใจจะหาทางออกเกิดขึ้นมาก็มาเจอเอาอันนี้เลยเพราะสิ่งนี้พาให้เกิดสิ่งนี้พาให้พาให้ตายหรือพาให้เป็นอยู่งีนี้เอาทมซึ่งเป็นของจริงแชกเข้าไปพจารนาให้เห็นเอาดูให้ชัดร่างกายดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปมันสะอาดที่ตรงไหนมันสวยงามที่ตรงไหนหนังสวยงามอะไร แล้วดูที่หนังรองรองเท้างามอะไรสดสวยที่ตรงไหนหนังเรากับหนังรองเท้าผิดกันที่ตรงไหนหนังหญิงหนังชายเป็นหนังเหมือนกันเศษแขนต้ น, นดอกันไปว่าหญิงมาชายที่ไหนนี่ก็คือแสงขึ้นมาแสงขึ้นมาเป็นสิ่งที่แสงขึ้นมาหลักธรรมชาติแล้วหนังดูเข้าไปถึงเนือ้อแม้แต่หนังภายในก็ดูแต่ข้างนอกนี่ก็ มีแต่มูลเต็มไปหมดที่เหงือที่ใครมีตรงไหนที่เป็นความสะอาดสะอ้านเป็นความสวยความงามในภายนอกที่เป็นเครื่องระดับหน้าร้านว่าสวยว่า ง, งาม น, นี่ว่ากันเอาเฉยๆจากผิวเข้าไปบังมางนิดเดียวเท่านั้นก็จะเจอสิ่งที่จกปลกสมม่นเป็นหมดรอบตัวแล้วพิจารณาเลือกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นตั้งแต่ ธรรมชาติที่เป็นของปฏิกูลโสโครทั้งหมวถ้าหนังไม่หุ่มหอ่ อ, อไม่หุ้มห่อไว้นี้ดูกันไม่ได้เลยไม่ว่าถึงว่าชายดูกันไม่ได้ทั้งนั้นหนังบางๆนี้เนี่ยเป็นเครื่อนคลางตาทั้งบูรุษตาฟางไม่หลงพราะฉะฉนั้นจึงเอาปัญญาสอดเข้าไปแทรกเข้าไปทั้เห็นตามความจริงของสิ่งนี้และทะลุอุปโภคไปหมดทั้งภายนอกภายในรอบสกุลกายทั้ง ภายนอกทั้งภายในแล้วจะติดจะพันจะรักจะชอบกันที่ตรงไหนแล้วอะไรจะมากดท่วงจิตใจที่ว่าอุปทานอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นความรักความสงวนมันมาจากไหนถ้ามันมาจากความจอมตลอมที่ไปสําคัญมั่นหมายเอานี้เท่านั้นไม่มีที่มาปัญญาทําลายลงไปไเห็นแจ้งแจ้งชัดเจนนอกจากนั้นกําหนดตรงไปเลยหนังเปื่อยเน่าพัทางทลายลงไปเส้นเอ็นทนไม่ไหว ขาดหลุดลุ่ยกระจัดกระจายไปกระดูกแต่ละท่อนละท่อนทึ่เช่นเอ็นรัดดึงไว้นั้นขาดลงไปขาดลงไปส่วนภายในตับไตไส้พุงอาหารหมาอาหารเก่าซึ่งเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่แล้วด้วยความปฏิกูลโสโครกมันยิ่งแสดงตัวให้เห็นอย่างชัดเจนออกมาพัทางทลายลงไปเอาจุดไหนเป็นจุดที่น่ารักใคชอบใจเป็นจุดที่น่า สงวนชวนถงมีตรงไหนคำวมางามอยู่ตรงไหนว่าหญิงว่าชายอยู่ตรงไหนหน้านักตรงไหนหน้าสงวนตรงไหนเป็นสาระแก่นสาที่ตรงไหนดูแล้วหมดทั้งล่างหาร์ดริฟเอาไม่ได้เลยแม้เท่าเข็มเล่มหนึ่งก็ไม่มีในร่างกายนเรามาตื่นลมตื่นแรงกันอะไรเนื่อปัญญาแทรกลงไปเมื่อเห็นทัดเจนียนแฉ่ ง, งแล้ว จิตจะต้องถอนตัวออกมาและพร้อมกับเกิดความสลดสังเวทตนนะโอ้โหเนี่ยทไมแต่ก่อนอยู่ด้วยกันมานานก็ไม่รู้ไม่เห็นกันวันนี้ได้เห็นแล้วหรือได้รู้แล้วหรือและสิ่งเหล่านี้เพิ่งมีวันนี้เท่านั้นเหรือถึงได้มาเกิดถึงได้มาเห็นกันวันนี้ความจริงก็คือปัญญาเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดปัญญายังไม่เกิดก็ไม่เห็นไม่รู้ดงั้นะปัญญาจริงต้องคลิต ข, ขึ้นมา อยู่เฉยๆให้เกิดปัญญาเป็นไปไม่ได้ต้องพินิชพิจณาหลายสันหลายขมหากมีแยบขึ้นมาให้สะดุดใจจุดหนึ่งจุดหนึ่งหรือขณะหนึ่งขณะหนึ่งแต่ละขณะนี้มีคุณค่ามากพูดถึงเรื่องปัญญาแล้วสะดุดขึ้นมาตรงไหนตรงไหนเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสามารถทำลายกิเลสได้มากมายกลก่อนีน เรื่องของปัญญาท่านก็สอนมาอย่างนี้นี่คือมรรคฝ่ายเหตุแต่กิเลสอันเป็นสมมุติเดียกันเป็นลำดับตำนาเข้าไปใจไม่เคยสงบก็สงบเพราะที่ไม่สงบก็เพราะความหลงนั่นเองเมื่อรู้แล้วไปวุ่นกับอะไรวุ่นหาอะไร จึงต้องใช้ปัญญาเป็นสำคัวขณะจิตยัมีความให้ใหใหจิตมีความสงบก็ให้ทำอย่างจริงจังจงเกิดความสงบไม่สงบด้วยอุบายวิธีของสมถัต้องใช้อุบายปัญญาตีต้นเข้ามาจนกระทั่งจิตไม่มีที่ไปและเหมาะด้วยอำนาจของปัญญาใช้เถอะวิธีใดซึ่งเป็นวิธีถอดถอนกิเลสแล้วเป็นใช้ได้ทั้งนั้น เราอย่าไปคำนึงเฉ พ, พาะคมภีร์บาลันที่ท่านจดจาริกไว้พอประมาณและเป็นส่วนกลางๆเท่านั้นไม่พอกับความต้องการนิยมีมากมายอุบายวิธีที่จะนำมาแก้ที่เหลือซึ่งเหมาะสมกับจดินิสัยลต้นที่จะผิดขึ้นมาได้ก็ควรให้เกิดมีขึ้นตามสิ่งเหล่านั้นมีมากมายธรรมมีอยู่ทั่วไปท่าน หินรับปัญญาก็มีอยู่ทั่วไปสิ่งที่จะทําลายจิตใจก็มีอยู่ทั่วไปถ้าใจโง่เสียอย่างเดียวเท่านั้นถ้าใจฉลาดแล้วมองไปที่ไหนเป็นหินรับปัญญาไปหมดเวลาใจโง่มองไปที่ไหนมีตั้งแต่ภาพสิข่อยตัดคอยฉีดเชี้ยวคืนนล้วซะจนแหลกทั้งๆติดตัวไม่้ตายให้กิเลสมันเหยียบย่ำทําลายเชี่ยวกืนนล้วซะจนไม่เป็นผู้เป็นคนนั่น เวลามันโง่มันเป็นอย่างนั้นจิเวลาจิตของเราโง่กิเลสมันยิ่งฉลาดเนียเวลาจิตของเราฉลาดด้วยธรรมกิเลสมันก็หมอบหมอบด้วยขาดสะพัฒน์ลงไปด้วยเป็น ล, ลํนาดับลำนาเนี่ยที่กลามาทั้งหมดนี้เป็นอุบาสที่ถูกต้องทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะน่าลูบคลำพ่อสอนตามความจริงอย่างนี้ เอาใจริมเรามากันมากมายมาจากที่ต่างๆมุ่งเพื่ออัดเพื่อทำแต่ลําพังตนเองไม่สามารถก็ต้องสาะแสวงหาครูหาครูหาอาจารย์มีในฐานะว่าเป็นหมู่เพื่อนเสียสาร่าเป็นครูเป็นอาจารย์มาเคารพนับถือก็ได้แสดงอัดทาให้สังเต็มเม่เต็มหน่อยเต็มทัศน์กาลังความสามารถไม่เคยปิดบงังลี้รับไว้เลยแม้แต่น้อยและพูดตามความจริงด้วยอาหารด้วยไม่ได้คุย ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นจิงๆนล้วจะทำจิตให้สงบนี้ก็ไม่ใช่เล่นเป็นข้าศึกใจโตเหมือนกันที่ต่อสู้กันก่อจะรับความสงบพอเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นปลายมีหลักมีเกมภายในใจพอจะยับยั้งช่างตัวได้ด้วยความสงบนั้นเป็นต้นถุนก่อนหนักไม่ใช่เล่นเหมือนกันสงบจนกระทั่ง เอาให้ได้เมื่อไรได้ทั้งนั้นนั่นรกนิจที่เคยคึกขนองฟังอยู่เอาให้สงบเมื่อไรได้ทั้งนั้นทำไมเป็นไปได้อย่างนั้นก็เพราะความชนานาญในความสงบด้วยอุบายวิธีการของตนเองที่เคยปฏิบัติมานานจนช่ำชองสงบเมื่อไรก็ได้เป็นต้นทุนอันหนั่งแล้วก็ออกพิจารณา เมื่อถึงเวลาที่ควรพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เป็นปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงใยในความสงบทําหน้าที่การงานทางด้านปัญญาให้เต็มเม็ตเต็มหน่วยเวลาใช้ปัญญามากๆจิตใจจะรู้สึกอ่อนเพลียร่างกายก็อ่อนเพลียเหมือนกันแล้วให้เข้าพักสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาในขณะนั้นเหมือนกัน ถึงเวะลาที่จะควรเดินทางสมถะทำหน้าที่ของสมถะก็เอาให้จริงให้จงังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาถึงเวลาจะดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาก็ไม่ต้องมาเป็นอารมณ์ห่วงยายกับสมถะทำหน้าที่ของวิปัสสนาไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คือการปฏิบัติโดยถูกต้องสม่ำเสมอหากเป็นโอกาสอันหนึ่ง ที่เราจะทราบในตัวของเราเองว่าการใดที่ควรจะเข้าสู่สมาธิพักสงบและการใดที่ควรจะออกทางด้านวิปัสนาคือพิจารณาโดยทางปัญญาในอาการแห่งธรรมทั้งหลายจะพออย่างยิ่งกายยัคตาสติเป็นสําคัญมากมีตั้งแต่ภาค พ, พื้นไปถึงขั้นกลางกายเป็นสําคัญผู้ใดพิจรารณาร่างกายไม่หยุดไม่ถอย ผู้นั้น่ะจะเห็นความสงบอันละเอียดละออของจิตจากนั้นก็ปล่อยกันได้เจลีตที่เกี่ยวกับเรื่องกายเพราะเป็นขั้นตอ น, ตอนมีภาวนาก็นานผลปรากฏอย่างไรบ้างนไม่ในเรื่องได้ลาวมันสมเหตุสมผลกันมาสาเอาลงมได้อย่างไร ห, หรือเราหวังอะไรใน ในโลกนี้ว่าจะเหนือธรรมไปมีอะไรบ้างในโลกที่เราเคยอยู่เคยเป็นเคยตายมาแล้วนี้จะเหนือธรรมมีที่ตรงไหนถ้ามีโลกก็ควรวิเศษไปนานแล้วเพราะได้เคยจมอยู่กับโลกนี้มานานโดยไม่มีใครที่จะมาเป็นคู่แข่งกันได้แหละเพราะเป็นนักจับจองวัฏฏะวนคือความเกิดแก่เส็จตายมาด้วยกันทั้ง น, นั้นแล้วมีใครเป็นผู้วิเศษวิโสยิ่งกว่ากันเพราะสิ่งเหล่านี้บ้าง ไม่เห็นเนื้อที่เราจะพยายามแบบว่าตัวของเราออกในสิ่งที่เราหาความพิเศษสากจิตทั้งหลายมันไม่เจอเพนี่จะหาด้วยธรรมธรรมคืออะไรออสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมพาดลงไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่อยธรรมอันประเสริฐเลิศโลกจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ไม่สงสัยขอให้กินเถอะสำคัญอยู่ที่ข้อปฏิบัติ เอาจริงเอาจังอย่าไปคำนึงถึงเรื่องอำนาจวาสนามีมากมีน้อยเป็นเรื่องของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นมันละเอียดมากกิเลสแทรกอยู่ในวงความเพียรนั่นแหละไม่ว่าความเพียรประเภทใดขั้นใดกิเลสระเภทนั้นขั้นนั้นต้องแทรกไปอยู่เสมอเสมอเพราะเป็นคู่แข่งกันไม่แทรกกันได้อย่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบได้แล้วยิ่งผ่านไปด้วยแล้วยิ่งทราบได้หมดอย่างละเอียดละออไม่สงสัย ความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้หรือปราบสิ่งเหล่านี้ให้ราบไปหมดไม่มีซากกิเลสแม้ตัวเดียวเหลืออยู่ภานในใจเลยเท่านั้นนั่นแหละทิ้งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในโลกที่เราเคยผ่านมานี้มีอะไรเป็นคุณเป็นโทษต่อจิตใจดวงนี้เราจะได้มองเห็นชัดเจนโดยไม่ต้องสงสัยว่ามีกิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นข้าศึกอีกเลย ทำไม่เคยเป็นค่าศึกต่อผู้ใดมีแต่ความเป็นอิสระเสรีอาการลิโกหาการสถาน ท, ที่อยู่ร่มเวลาไม่ได้คงเส้นคงบาอบปุน่นก็พูดไม่ถูกเ่ียท่า น, นให้ชื่อขึ้นมาอีกว่าความบริสุทธิ์ของจิต ความเป็นอิจระของใจกิเลสเป็นเจ้าของมันควบคุมบังคับบัญชากดขี่ข่มเห็นย่ำยีตีแหลกจิตหลอดแต่ไม่ตายจิสหลบสไลดไปก็ไม่ตายมันต้องเอาทำเข้าแทรกเอาทำเข้าช่วยจนกระทั่งกิเลสแตกกระจายไปหมดจากใจแล้วนี่ทำฝ่ายเหตุก็หมดปัญหาไปแล้วกี่อันนั้น เราจะว่าผลก็ไม่ถนัดใจที่จะพูดแล้วดินแต่ส่วนมากโลกสมมติยังนีต้องเรียกว่าทำฝ่ายผลกันสำหรับธรรมชาติที่รู้ธรรมชาติที่เห็นธรรมชาติที่เป็นของท่านผู้รู้ผู้เห็นนั้นท่านไม่พูกท่านไม่ตั้งชื่อตั้งนามพอทุกอย่างอยู่ในนั้นพอเหมาะพอสมทุกอย่างแล้วในธรรมชาติอันนั้น นั่นคือว่านอกสมมุตินอกอย่างนั้นเองไม่ได้นอกเหนือฟากเมฆ ฟ, ฟากหมอกไปที่ไหนเลยอดีตก็หมดอนาคตก็หมดปัจจุบันก็รู้เท่าคือรู้เท่าโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่รู้เท่าเพราะการกําหนดจดต่อต่อสู้กันอย่างนั้นนั่นเป็นเชิงรบมีชัยชนะได้ชัยชนะแล้วคําว่าลบลบกลินไม่มี เป็นอิสระเป็นความรู้เท่าโดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องเสกสรรตั้นดรอไม่ต้องมีท่าต่ตอสู้อะไรเป็นธรรมชาติของตนสมบูรณ์ในตนของตนเองถ้าจะพูดถึงผลก็คือผลแหงการปฏิบัติมาหนักเบามากน้อยต็เกียบตะการมาเพียงไรเรานั้นเป็นปุ๋ยอันดีเยี่ยมทีเดียวเป็นเครื่องสนับสนุนให้ถึงจุดไหนเราไม่พอใจกับเหตุ เพื่อผลอันนั้นแล้วเราจะพอใจกับอะไรมีที่สงสัยตรงไหนโลกนี้ที่ไม่มีปัจ้าอยู่ที่ไหนก็ปัจฉาติดกับตัวของเราเราสงสัยที่ไหนอะไรพิเศษจากปัจ้าวิเศษโลกนี้มีปัชฉาแต่พระทานะขันมีปัจฉามีความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ด้วยกันก็วิเศษไปตามกันหนดการที่รู้เท่าทันสาเหตุแก่สาเหตุที่จะให้เกิดมีปัชฉาการเกิดแก่เจ็บตายมูลเดียหนนี้ ออกจากใจเหตโดยสิ่งเฉิงนั้นเป็นสิ่ ง, งที่อาัศจารรย์ยิ่งเป็นสิ่งที่เราควรเตาะแสวงอย่างยินั่นทับทราบอันพระสริคเลิอดยิ่งกว่าสิ่งตั้งหลายในใจโลกาฐานนี้พากันตั้งใจอย่าสนใจกับสิ่งใดนอกจากทางเดินของตนงานของตน เท่านั้นเป็นสําคัญสําหรับเราผู้ต้องการความพ้นผูกผู้ต้องการแก้สิ่งที่ปักเสยียบอิู่ภาใ น, ในใ จ, ใจิต ใ, ใจได้แก่ที่เหลือตัเพืต่างๆให้หมดไปมีความสนใจอยู่จุดนี้เท่านั้นงานนี้เป็นงานใหญ่โตเป็นงานสาคัญมากสําหรับเราผู้เทียข้ามพ้นจากวตัตฏสงสารเห็นงานเราอื่นเราใดว่าเป็นของสําคัญจะมาเหยียบย่ําทําลายงานอันชอบทำนี่ให้ หมดทางเดินพอด้อยลงดอยลงก็หมดทางเดิน <c oughs> คนเ่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทาน้าเหมือนน้ำสะอาดชะล้างลงไปที่มันสกรตรงที่มันสกปกน้ำจะยกหนักบ้างก็ยอมเนยความสกปลกมีมากต้องเอา ยกน้ำให้นั่งหนักมากๆ ม, ม, มันจะพอกันกิเลสมันหนาแน่นอบฟาดกันลงให้เต็มเหนียวอืีตายพร่ำ ม, มากกิเลสเราเคยตายมานานแล้วพบได้ชาติใดมีแต่ตายพร่หนาของกิเลสตายพรอำนาคของธรรมยังไม่เห็นเอาให้เห็นทรรมได้กุศลาเราเองเป็นไรมีแต่กิเลสมันอกุุลาทำ ม, มาอากุุลาทำ ม, มาธรรมที่จะมาอกุุลาธรร ม, มา ยม่มีเอานี่ทำกุศลาธรรมะแปลว่าอะแปลว่าความฉลาดอักุศลาธรรมะแปลว่าความโง่ตายด้ย ว, ควดดยวความโง่เกิดด้วยความโง่หรือเรียกยิ่เรียดมันอกุศลาทำเราพวกเราให้งโง่ให้งโง่อ น, นี้เรียอักุศลาทํานี่เป็นกุศลาตายด้วยกุศลาเป็นไรไปไม่มีอะไรที่หน้าจะหายเ่ะมีเกิดกับตายเท่า น, นั้นในโลกนี้ กิเลสมันพาคนให้ตื่นโลกพาสัตว์ให้ตื่นโลก ม, มีคำว่าความพอดิบพอดีในโลกนี้มันจะสยิบยิ้มย่องว่าดิบว่าดีว่าวิเศษวีโสหน้ามีแล้วมัดด้วยกันทุกคนทุกคนก็อยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงอะไรก็มีอยู่แล้วมันหัางม่พอเรื่องของกิเลสต้องปีนคลอกปีนลูกตรงอยู่นั้นตลอดอย่าจะพาให้สัตว์โลกอยู่ด้วยความสงบเย็นใจไม่มีถ้าไม่ใช่ทำ ถ้าทำมีมากน้อยนั้นมีได้มีความร่มเย็นเป็นสุขสงบตัวได้และรู้จักประมาณจนเป็นสุขเต็มตัวขึ้นมาเพราะการปฏิบัติะมัดระวังตัวเสมอผู้ปฏิบัติสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมีอะไรหบ้างอย่าเห็นเมื่อสิ่ง น, นั้นเป็นสำคัญโดยถ่ายเดียวที่ไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณา จะกลายเป็นค่าสิทธิต่อเราโดยมรู้สึกตัวปัจจัยสี่นัมีอะไรบ้างเป็นเครื่องอาศัยช่วยการช่วยเวลาพอให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกสบายในธรรมทั้งหลายของเรานี้เท่านั้นอันนี้เป็นหลักใหญ่<ฮ>หยึดปฏิบัติเอาให้กินให้จาเราอยากได้ยินได้ฟังเพื่อนฝูงที่มาปฏิบัติได้เห็นผลอะไรบ้างขึ้นมา สมกับแนะนําั่งสอนด้วยความเหนื่ ย, ยากลาบากเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วอุบายวิธีคือว่าอาจาย์ที่แนะนำสั่งสอนนั้นเป็นแต่เพียงว่าแง่หนึ่งแง่หนึ่งเท่านั้นที่จะเป็นต้นทุนให้เรานําเข้าไปหรือเป็นสิ่งหยิบยืมจากท่านเพื่อเข้าไปสร้างตัวของเราให้เกิดผลดอกผลขึ้นมา มันเป็นต้นทุนหนุนกันเป็นกำไรขึ้นไปโดยลำดับนับด้วยการพิิจพิจารณาของเราเองนี่เป็นหนักสำคัญมากอ่าตอบวันท่านบัญญาติบายหน่อยเ่น